ทีเราบางทีเราก็เป็นผู้ที่ชอบชอบจะใช้เวลาที่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่บทีในการใช้เวลาในการทำเอเอหลายอย่างพร้อมกันไปทำสองอย่าง3มอย่างพร้อมกันไปเราคิบว่านนะัเป็นการประหยัดเวลาในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่ในแค่เราลองสังเกตดูเนาะเวลาเราทำอะไรพร้อมกันในหลายอย่างจิตใจเราเป็นแบบไหน ใจิตใจเรามันตั้งมั่นดีไหมมันสงบไหมอ่ามันกระบนกระไว้หรือเปล่าเราสังเกตุบางทีพอเราไม่ทบทนวนเราก็เห็นคนอื่นถ้าทําแบบนั้นอ่าเขาก็ทําได้แต่เราไม่เคยกลับมาดูเลยว่าเออถ้าทําแบบนั้นแล้วจิตใจมันเป็นอย่างไรแน่นอนบัตรงานบางอย่างอาจจะสําจจเร็จได้เยอะเยอะกว่าถ้าทําอย่างเดียวนะ แต่ก็ลองดูว่าถ้าทําแบบนั้นแล้ว เ, เป็นยังไงจิตใจมันปกติไหมถ้าเราต้องการที่จะให้ผลน่าจิตใจเป็นหลักสําคัญนะลองดูมันเร่งมันรีบจิตใจเป็นแบบไห น, นร้อนหไหม น, นะสังเกตเลมีมีผู้เสียคนหน่งเขาก็เขียนมาเล่าให้ฟังเ้าบอกด้วยความที่รีบมากน ะ, ะยกของ ยกของไปส่งที่รถไฟรีบกลับมาจะยกของอีกอันหนึ่งกระดุกตะแกรงพอระบายน้ำหกลมหกล้มหัวเข่าแตกนะก็ได้ความที่รีบนะได้มที่รีบอยากให้มันเสร็จเร็วๆทั้งๆ ท, ที่เดินก็ได้แต่ก็ไม่เดินวิ่งแทนพนะอวิ่งแนละ้วสติมันก็ขาดนะพอสติขาด ขาดสติความที่รีบก็เลยทำให้ต้องเก็บตัวด้วยแต่จริงพอถ้ากลับมนเลยดีจริงถ้าทําแบบไม่รีบร้อนนะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องช้าต้องต้องเหนื่อยตลอดไม่ใช่นะเดินเร็วได้นะพูดเร็วทําเร็วสามารถทําได้แต่ก็ต้องรู้ทันเลยถ้าทําเร็วพูดเร็วใจเรามันเร็วมนะันเร่งตามสิ่งที่เราทําหรือเปล่า ถ้ามันไม่เร่งไม่เร็วก็ไม่เป็นไรนะฮนะก็สามารถอยู่กับมันได้นะคือมันไม่จําเป็นม่าต้องอิรยาบทต้องช้าตลอดเวลานะแต่ถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่จะช้าจะปานกลางจะเร็วแต่ถ้าจิตใจเป็นปกติอยู่จิตใจรู้นึกรู้ตัวว่าทำแบบนี้เพราะอะไรใช่ไหมข้ามถนนรถมันวิ่งเร็วเราก็ต้องเร็วตามนั้นไม่ใช่จะต้องช้าตลอดเวลาไม่ใช่นะอมืมันก็ต้องรู้ รู้จักธุรกิจที่จะตัดใจแต่เนะให้สังเกตใจที่เร่งใจที่ร้อนนะเพราะว่าใะไรเพราะว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ใจมันกังวลถึงเรื่องข้างหน้านะถึงงานข้างหน้าที่เราอยากจะทําทีแล้วก็เป็นแบบนี้เรื่อยไปร่าไปนะพอไปถึงงานข้างหน้าเราก็คิดถึงงานข้างหน้าอีกแล้วคิดถึงงานข้างหน้าอีกแล้วนะมันไปแบบนั้น มีคุณหมอธรรมดานะก็ เ, เคยเขียนหนังสือไว้เขาบอกว่าเขาเคยได้ยินเด็กข้ามบ้านคนหนึ่งเขาบอกเด็กคนพูดกับคุณญย่าของเขาบอกว่าคุณย่าจะตอมเห่อเด็กนะเหอร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูวันไหนจะมานอนกับย่าล่ะนะเด็กก็ตอบว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรนี้มานอนกับญาตินะพอวันพรุ่งนี้วันถัดไป ย่าก็ไปช่วงสัญญากับเด็กเด็กก็บอกว่าเอ้ายังไม่ถึงวันพรุ่งนี้เลยอันนี้เป็นวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะถามแบบเนี้ยเด็กก็ไม่เจ้าเลนนะอแต่เขารู้สึกว่าวันนี้คือคือไม่คือไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปจิญพันธ์คือเป็นอนาคตวันพรุ่งนี้คืออนาคตซึ่งอนาคตตอนไหนก็ไม่ใช่เพราะว่าวันถัดไปกี่วันย่ามาถามกี่ครั้งเด็กก็บอกว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็เด็กไม่ ผิดนะเพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้ของเขานแต่ย่าใจคิดถึงวันพรุ่งนี้พอถึงวันพรุงนี้ก็ถามเด็กบางทีซึ่งมันก็ไม่กาผิดไม่ไม่ไม่ใช่ว่าถูกนะแต่ก็เนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าบางทีใจเราจริงก็จะไปข้างหน้าเยอะแยะมากมายไปข้างหน้าแล้วพอถึงวันข้างหน้าจริงเราก็ไม่ยอมอยู่กับวันข้างหน้าจริงๆเราก็ไปอยู่กับวันพรุ่นี้ต่อไปอยู่กับเลือดข้างหน้าต่อนนะ่ะ เราสังเกตดูนะใจมันห้ามไม่ได้แต่พอเรารู้ทันมันมันก็จะหยุดกลับมาอยู่ปัจจุบันสักหนึ่งแล้วมันอาจจะไปใหม่ไปข้างหน้าบ้างไปดีบ้างพอรู้ทั น, นก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันใหม่คืออดีตอนาคตใจที่เผลอไปมันไม่สามารถบังคับหรือห้ามได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือคอมีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน แม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่เป็นช่วงที่มีค่าที่สุดเพราะมันจะตระหนักรู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้คือปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะอดีตอนาคตไม่สามารถสัมผัสได้แน่นอนสัมผัสได้แต่ในรูปของจินตนาการหรือรูปของความคิดแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้มันจะตระนักได้เลยลมพัดนะสบายไหมนะถ้าเราเอาความสบายตอนนี้นะมาเป็นของจริง แต่ก็ไปคิดถึงความสุขความสบายจากรสชาติอาหารรสชาติอะไรไม่เป็นของฟอร์มนะเป็นของฟอร์มลมพัด ส, สบายใจมีความสุขรู้ที่ปัจจุบันเนี่ยของจริงถ้ารู้แบบนี้แล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันมันไม่ติดมันไม่ติด น, ะนี่รับฝึกหัดปฏิบัติธรรมในรูปแบบตอนนี้ก็เหมือนกันเนาะบางคนนั่งไปคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็นะไม่เป็นไรนะ หาไม่ได้แต่ขอให้กลับมาเร็วๆหรือ ว, ว, ว่าอยู่ในคิวประจาวันของเราก็เหมือนกันทําการทํางานเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็ใจเผยออกไปข้างหน้าเร็วๆนะี่ก็ค่อยกลับมารู้มันเร็วๆแค่นี้พอนะแต่เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งปัจจุบันมากขึ้นที่จริงถ้าเรามีสติทําดีที่สุดในปัจจุบันนะ ปัจจุบันตอนนี้ดีมันก็ดีดีดีดีไปเรื่อยๆเนาะอนาคตมันก็ดีอดีตมันก็ดีนะเพราะว่าจิตใจของเราตั้งมั่นในการทําสิ่งที่ดีในปัจจุบันเมื่อทําดีในปัจจุบันก็ไม่ต้องเสียใจอดีตเพราะอดีตถึงนย่าอดีตที่เราเสียใจคืออดีตที่เราทําผิดพลาดใช่ไหมถึงตอนนั้นไม่ทําแบบนั้นถึงตอนนั้นถ้าทาไม่ดีเนี่ยก็เลยเกิดเป็นความเสียใจ แต่ถ้าตอนนั้นทำดีแล้วทำเต็มที่แล้วมันก็ไม่เสียใจอดีตอนาคตนี่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเอาไว้เจอแล้วค่อยว่ากันเอาไว้ถึงตอนนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีไม่กังวลไม่กลัวอนาคตเพราะมันรู้ว่ายังไม่ถึงแม่คิดเท่าไหร่ก็ยังจินตนาการไม่ได้แต่มันจะรู้สึกเลยว่าพอถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะนะไม่กังวลนะไม่กังวล ไม่ต้องกังวลว่าสอไปจะขับรถเป็นแบบไห น, นอตอนขับรถได้ว่ากันอ <c oughs> ตอนริงข้าวจะมีสติดได้หรือเปล่าต้องไม่กังวลตอนนี้ตอนริงข้าวก็ค่อยว่ากันอีทีตอเ น, นี้ยมันจะใจมันจะอยู่กับตรงนี้ก่อนอนานคตถือว่าเป็นเรื่องวางไว้ก่อนรู้ว่าอรจะต้องทําเสร็จก็วางไว้ก่อนเนี่ยคือก า, การที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันได้นะมันจะเป็นการทําแล้วก็วางทําแล้วก็วาง เหมือนน้องพ่อพุทธทาสบอกท่านทางานแล้วก็เสร็จทุกวันไนมะ่จริงถ้าให้ถูกก็เสร็จทุกวินาทีนะเสร็จทุกขณะเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่แค่เสร็จทุกวันแต่เสร็จทุกขณะเนะมื่อทําแล้วก็เสร็จการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะก็ให้เสร็จทุกขณะนะรู้สึกตัวแล้วก็วางไปรู้สึกตัวแล้วก็วางไปคิดแล้วก็วางไปนะแม้แต่ฝ่ายลงหรือฝ่ายรู้ก็ต้องวางเหมือนกันนะ เรารู้ถ้าเราไม่วางเราจะกลายเป็นการแค่บังคับให้มันรู้ยาวให้มันรู้แบบไม่ขาดเนี่ยก็ผิดเหมือนกันมันจะกลายเป็นสมถะได้ง่ายกลายเป็นการถ้าสมถะไม่ได้ก็กลายเป็นแค่การเพ่งการจ้องการบังคับไว้อยู่เนี่ยนะเราก็ต้องรู้ทันรู้เป็นครั้งเนี่ยเป็นเป็นการวางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเคลื่อนเป็นขนะรู้เป็นครั้งเนี่ยเป็นการรู้แล้วก็วางเนี่ยนี่คือ พอเรารู้ทันแบบนี้นะความคิดเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันมันก็วางไปแล้วแต่มาอาจจะคิดใหม่อาจจะโกรธใหม่อาจจะหลงใหม่มันก็เป็นความคิดคนละตัวกันมันคนละตัวกันเลยนะอืมเหมือนเหมือนละลอกคลื่นนะโยมนะคลื่นทีลรลูกทีละลูปมันเป็นคนละรูปกันนะมันก็ะทบฝั่งอาจจะลักษณะคล้ายๆกันแต่ขึ้นแต่ละรูปมันเป็นคนละลูปกันความคิด คลืนความคิดแต่ละครั้งที่มาคิดขึ้นมาก็เป็นคนรูดกันเท่านั้นแต่อาการกิริยาบางครั้งมันคล้ายกันบางครั้งแตกต่างกันไปก็แค่นั้นแหละสติปัญญามันจะเห็นลักษณะแบบนั้นหเห็นความคิดเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นครั้งเป็นครั้งที่มากระทบสัมผัสกับจิตใจพอกระซบแล้วก็หายไปเหมือนกับคลื่นกระทบฟันนั่นแหละก็หายไปไหนก็ไม่รู้มันก็กระทบแล้วก็หายกระทบแล้วก็หาย มันกระโดมที่พัดผ่านเราไปนะมันก็ไม่ใช่โมตัวเก่าที่ย้อนกลับมาพัดใหม่ก็โดมตัวใหม่ที่พัดผ่านเข้ามานะเนะี่ยไม่ต่างกับความคิดไม่ต่างกับกระโดมอื่นนะคอยดูนะที่จริงธรรมชาติเนี้มันสอนธรรมะเราเลยนะส อ, อนธรรมะเราถ้าเรามีปัญญาพรจะเข้าใจธรรมชาติภายในธรรมชาติภาย น, นอกนี่สิ่งเดียวกันเลยสิ่งเดียวกันมันเป็นกฎเดียวกันนะแคนะ่เขาต้อตั้งใจดูอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ใจตั้งมั่นมีสติรูร้ตัวนะแล้วก็วางเอารณ์ให้มันได้นะมันจะช่วยให้เราอยู่กับทุกที่อยู่กับทุกการทุกงานอยู่กับทุกกิริยาอ า, า, า, าการต่างๆได้อย่างที่ไม่หลงไม่หลงไปอยู่กับโิกนะลองพยายามทำดูนัเแี๋ตอนตอ น, ตอนท้ายแบบ๋ยเพื่นมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะให้เราได้ภาวาเต็มนะที่นะไม่ต้องไปดรอ่ะจะทําตอนเย็นทําตอนฟอสหน้านะ ทำตอนนี้ก่อนแล้วกันนะ